Yeah. Mm -hmm. ขบรรษานะก็กําลังจะสิ้นสุดลงสาหรับคนที่อยู่ประจำนะวันนี้ก็เหมือนกับวันก่อนก่อน<ม>ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากวันอื่นมากเท่าไหร่นะยกเว้นว่ามีคนมาวัดนะเยอะขึ้นหรือว่าหนาตากว่าวันอื่นอน่แต่สำหรับคนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่นะไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยม ที่ตั้งใจจะมาจําพันษาวันนี้ก็อาจจะผ่านไปอย่างเชื่องช้าอันนี้เป็นธรรมดานะเพราะว่ามันเป็นที่ใหม่นะมันเป็นที่ที่เราไม่คุ้นเคยมันไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมนะแปลกใหม่หรือแปลกตาอย่างเดียวแต่มันรวมถึงวิถีชีวิตด้วย วิถีชีวิตที่แตกต่างจากที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานของเราหลายคนจะเริ่มรู้สึกว่ามันน่าเบื่อเงียบเหงานะเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าก็ให้เวลานะให้เวลากับตัวเองโดยเฉพาะจิตใจของตนเนี่ยในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเข้ากับวิถีชีวิต ที่วัดนี้ไม่ว่าจะเป็นการนอนการตื่นนะรวมทั้งการเกี่ยวข้องกับผู้คนชีวิตที่นี่เนี่ยมันก็แต่ละวันแต่ละวันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่สิ่งที่จะล่อเราเย้าวยวนให้เรานะเกิดความตื่นตาตื่นใจ มีสิ่งเสพสิ่งบริโภคใหม่ๆอย่างชีวิตในเมืองมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่คนที่เคยผ่านหรือเคยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันมีแสงสีเสียงมันมีข้อมูลข่าวสารหลังหล่งไหลพรั่งพรูเข้ามาในแต่ละวัน นะมีกิจการงานมากมายชีวิตที่ต้องเร่งรีบนะแข่งกับเวลานะพอมาอยู่ในสถานที่แบบนี้เนี่ยนะก็อาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะจืดชืดนะหรือว่าชวนให้หงอยเหงาแต่ว่าเมื่ออยู่ไปนานๆนะพอเราเริ่มคุ้นเคยกับมันเนี่ยอาจจะรู้สึกชอบด้วยซ้ำ ชอบที่มันเงียบสงบในชีวิตไม่เร่งรีบมากอะไรก็ตามนะที่เราที่มันเป็นของใหม่สำหรับเราเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะแม้สิ่งที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ธรรมชาติคนเราเนี่ยก็มักจะยึดติดกับของเก่า จะเปลี่ยนที่เนเปลี่ยนเสียงแวดล้อมเนี่ยมันก็จะมีการต่อต้านขัดขืนนะไม่มากก็ น, น้อยอ่ายกตัวอย่างเนี่ยเด็กหรือทารกเนี่ยที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยเวลาครบกล้าเดือนเนี่ยจำเป็นต้องคลอดออกมาจากท้องแม่ทั้นที่โลกภายนอกเนี่ยมันสบายกว่ามันให้อิสระเสรีนะ มันมีโอกาสที่เขาจะเติบโตนะทั้งในทางกายและทางสติปัญญานะแต่ว่าทารกทุกคนนะในท้องแม่เนี่ยจะไม่ยอมจะไม่อยากออกมาพราคิดว่าในท้องแม่นี่มันสุดยอดที่สุดแล้วนะเป็นสวรรค์สาหรับเด็กทารกในนั้นนะครบเก้าเดือนแล้วนะก็ไม่ยอมออกน ะ, ะนนทั้งที่ ห้องของแม่ก็พยายามบีบรัตเด็กให้ออกมาได้สัทีแต่เขาก็ขัดคืนนะขัดคืนเด็กที่คลอดตามธรรมชาติเนี่ยหมอและพยาบาลหรือหมอตำแ ย, ยนี่ก็ต้องพยายามดึงหัวเอาหัวเขาออกมาพอเขาไม่อยากออกนะเขาพยายามต่อสู้ขัดคืนเขาคิดว่าเขาจะต้องไปเจอกับสิ่งแวดล้อมที่มันไม่น่าอยู่นะในข้างนอกต่อสู้ขัดคืน ขนาดออกมาแล้วก็ยังร้องเลยนะร้องเหมือนกับว่ากำลังเจอความทุกข์ทรมานที่จริงไม่ได้ทุกข์ทรมานหรอกแต่ว่าเขากลัวเขากลัวเธอต้องจากพรากจากสิ่งวรรลมเดิมๆที่คุ้นเคยซึ่งก็คิว่าเนี่ยมันคือสวรรค์ต่อเมื่อเด็กออกมาแล้วเนี่ยนะแล้วก็รู้ความสักหน่อยก็ถึงรู้ว่าอข้างนอกนี่มันดีกว่าในท้องแม่เยอะเลย นะท้องแม่ก็ดีอยู่แล้วนะอบอุ่นนะแต่ว่าข้างนอกเนี่ยนะมันมันเต็มไปได้วยโอกาสนะมันเต็มไปด้วยสิ่งที่ควรเรียนสิ่งที่น่าเรียนรู้แล้วก็สิ่งที่จะช่วยเติมเต็มช่วยจิตใจหรือเต็มไปได้วยความสุขนะนั้นพวกเราหลายคนเนี่ยที่นะจากเมืองมาจากบ้านมาจากที่ทำงานมามาอยู่ที่นี่เนี่ยโดยเพราะ ในเพศพระเนี่ยใหม่ๆ ม, มันก็มีแรงต้านนะข้างในมันต้านเพราะว่าความไม่คุ้นเคยนะแม้ว่าหลายคนจะไม่อาจจะไม่ชอบนะความวุ่นวายในเมืองนะไม่ชอบความเร่งรีบนะแต่ว่าในใจมันก็มีความโหยหาอยู่เหมือนกันนะมันก็ยังมีความอาลัยอาวรแม้มาที่นี่แล้วก็ยังคิด ถึงชีวิตในเมืองหรือชีวิตที่เราเคยสุขสบายที่บ้านไม่ชอบกป็จริงแต่ว่าออกมาแล้วก็คิดถึงหลายคนบ้านอยู่ติดถนนนะไม่ชอบนะเสียงดังที่รถยนต์มันแล่นผ่านไปผ่านมาบางคนก็ไม่ชอบที่รอบบ้านนี่มีเสยอกระทึ ก, กนะแต่พอมาอยู่ที่นี่มันเงียบสงัดมากนอนไม่หลับนะ มันคิดถึงนะมันอยากได้ยินได้ยินเสียงอึกทึกคึกโครมนะนะไม่ชอบก็จริงแต่ว่าลึกๆมันก็มีความอลไารายอยู่ไอ้ตรงนี้แหละที่มันทำให้หลายคนในเวลามาอยู่ที่นี่เนี่ยแม้แต่นักปฏิบัติธรรมที่จะมาอยู่แค่ 4-5 ห้าวันหรือว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าวันแรกๆเนี่ยมันมันหงอยเหงานะ่มันดูหน้าเบือ่อ แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะพออยู่ไปสักพักเนี่ยสาวันนะก็จะเริ่มดีขึ้นนะก็จะเริ่มปรับตัวได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นขึ้นอยู่กับการการวางใจด้วยนะเพราะว่าแม้ธรรมชาติคนเราเนี่ยมันจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งวัลล์ใหม่ใหม่ได้ได้อย่างรวดเร็วนะแต่ว่าใจของเราบางทีมันก็คอยขัดขวางเช่นการพยายามไปเปรียบเทียบนะระหว่างที่นี่กับที่เคยจากมา ความโดยเพราะความสะดวกสบายอาหารการกินนะ<ส>แล้วก็อิสระเสรียสอยู่ที่นี่เนี่ยมันมันแตกต่างกับอยู่บ้านนะอยู่บ้านนี่เราอาจจะอยู่เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วเราก็ไปทำงานเราไปทำงานไม่กี่ชั่วโมงเรากลับมา<ส>แต่ว่าที่นี่เนี่ยเรานะต้องอยู่ตลอดเลยยิบสีชั่วโมงนะ ต้องเจอคนหน้าเดิมๆต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆตลอด24ชั่วโมงถึงแม้ว่าวัดนี้จะกว้างนะให้เราเนี่ยเดินไปไหนมาไหนได้นะแต่สุดท้ายมันก็คล้ายๆกันไปหมดมันต้องอาศัยการปรับตัวทีเดียวนะแต่ให้ถือว่าเรามาที่นี่เนี่ยนะเพื่อมาฝึกฝนตน เราไม่ได้มาเพื่อความสบายนะต้องขีดเส้นใต้เลยนะว่าเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อความสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้ามันมีความไม่สบายบ้างไม่มีความสะดวกบ้างนะก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคิดมาที่นี่เพื่อความสบายเนี่ยนะจะอยู่ด้วยความทุกข์นะเพราะว่ามันไม่มีความสบายอย่างที่เราเคยประสบพบเห็นหรือ คุ้นเคยนะที่บ้านหรือข้างนอกหลายคนนะลืมไปนะว่าเราไม่ได้มาเพื่อความสบายนะพอเห็นความไม่สะดวกบางอย่างนะตั้งแต่การตื่นที่ต้องตื่นเป็นเวลาตอนอยู่บ้านจะตื่นกี่โมงก็ได้นะแต่อยู่ที่นี่เนี่ยนะไม่มีอิสระเสรีจะทําแบบนั้นอาหารการกินก็อาจจะไม่ถูกปากนะเลือกไม่ได้นะ อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานเราก็เลือกกินนะเลือกซื้อได้แต่ที่นี่นะไม่มีเราก็มีโอกาสเลือกได้บ้างนะเท่าที่แม่ครัวเขาทำใหนะ้แต่ว่าจะไปหาซื้อจากข้างนอกมันก็ไม่ได้มแมลงนะอาจจะมีนะกลางวันก็อาจจะร้อนนะแต่ถ้าเราเตือนตัวเองอยู่เสมอว่านะเราไม่ได้มาเพื่อความสบาย แต่ก็ไม่แหม่ความว่าเรามาหาความลำบากใส่ตัวนะไม่ใช่เหมือนกันเราไม่ได้มาหาความลำบากใส่ตัวแต่ถ้าจะมีความลำบากบ้างนะมันก็เป็นส่วนของการฝึกฝนที่นี่เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยสบายกาตก่อนมากความลำบากมีน้อยนะแต่ก่อนนี่ก็อาบน้ำนะเราก็ต้องหิวน้ำเองช่วงแรกแรกเนี่ยเราก็อาบน้ำกนตรงสะพานนี่แหละ สมัยก่อนเนี่ยเมื่อตอนที่อรรมามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยสาสกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ อ, อาบน้ำตรงสะพานนี่แหลนะบรรยากาศดีทีเดียวนะคนไม่ค่อยเดินผ่านสะพานเท่าไหร่เราก็อาบน้ำมาตรงนั้นแหละตอนหลังก็ก็ต้องไปอาบน้ําตามกุฏนะิแล้วจะทํำยังไงในเมื่อนะวัดเนี่ยไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้าไม่มีนะจนกระทั่งอีกหลายปีต่อมาก็ต้องใช้แรงคนนะั่นแหละ ไปทิ้วน้ําไปตักน้ํามาถ้าโชคดีหน่อยนะโอ่องเก็บน้ำเนี่ยนะมันไม่ไกลนะเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ถ้ามันไกลนี่ก็และแถมต้องขึ้นเขาด้วยนี่ก็ลําบากหน่อยแต่ว่าคนที่อยู่ที่นั่นนะเขาก็สมัยนะั้นเขาก็าไม่คยได้บ่นอะไรนะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วมันก็เป็นธรรมดา พวกเรานี่จะอยู่แบบนั้นคงจะยากแล้วเพราะว่าเราคุ้นเคยกับชีวิตที่มันสุขสบายเมื่อใ่ก็ตามที่เราสึกว่ามั น, มนลําบากนะก็ให้ตระหนักว่าเราเรียกว่าสบายกว่าแต่ก่อนเยอะและความลําบากก็เป็นส่วนของการฝึกฝนให้พยายามมองในแง่นี้เอาไว้นะเราจะเป็นมิกรกัสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น จำ MM เป็นมากเลยนะที่จะเป็นมิจกับสิ่งแวดล้อมเริ่มจากเป็นมิจกับกุติที่พักของเราเป็นมิจกับสิ่งแวดล้อมนะรอบกุติของเรานะลองมองหาข้อดีของมันในะเช่นว่ามันสงบส ง, งัดนะได้ไกลชิดธรรมชาติถ้าเรามองหาข้อดีเนี่ยเราจะเป็นมิจกับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายนะแต่ถ้าเรามองเห็นแต่ถ้าเราคิดจะมองเห็นข้อบกพร่องเนี่ยเราก็จะเจอเยอะเลย คนเราจะสุขหรือทุกมันก็อยู่ที่มุมมองนะเวลาถามคนนะว่าคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณบ้างหรือเปล่าคนส่วนใหญ่จะตอบว่ามีความสุขหรือพอใจกับชีวิตมากกว่าเวลาถูกถามว่านะมีอะไรที่คุณไม่ชอบบ้างในชีวิตนี้นะคำถามเนี่ยนะมัน ม, มันมีผลต่อคำตอบนะถ้าตอบว่าถ้าถามว่าคุณมีความพอใจกับชีวิตบ้างไหมเนี่ยโอ้คนจะตอบว่าพอใจมากกว่าเวลามีคนถามว่าในชีวิตนี้มีคุณมีอะไรที่คุณไม่พอใจไหมเพราะคำถามแรกนี่มันมันมันนำให้เราไปมองหาข้อดีนะสิ่งที่เราพอใจเราก็เห็นนะโอ้มันมีข้อดีเยอะแต่ใครที่เจอคำถามที่สองเนี่ย หรือคำถามหลังเนี่ยนะมันก็จะเห็นแต่ข้อไม่ดีนะเจ้าหน้าที่ชีวิตเรามันก็มันก็มีทั้งบวกและลบนะมีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์แล้วก็มีทั้งที่พอใจและไม่พอใจนะแต่ถ้าเรามองให้เห็นนะสิ่งที่น่าพอใจแล้วกนะ็พบว่าชีวิตนี้มันก็นะมีคุณค่าควรจาการนะดำเนินชีวิตอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้แล้วก็พยายามเป็นมิตรนะกับทุกชีวิตนะที่อยู่ในวัดนี้นะโดยเฉพาะผู้คนไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นแม่ชีไม่ว่าจะเป็นโยมนะที่มาจำพรรษาหรือว่าที่มาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะหรืออาคารตุกขะนะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดที่ดีเลยนะ การที่เราจะอยูนะ่ในชุมชนหนึ่ ง, นงเนี่ยอย่างสงบราบรื่นตลอด3าเดือนหรือ90วันมันไม่เหมือนกับมันยากยิ่งกว่าเวลาเราอยู่ที่ทำงานนะและ จ, จะยากกว่าเวลาเราอยู่บ้านด้วยเพราะอย่างที่บอกนะเราอยู่ที่ทำงานเราก็อยู่แค่วันละแชั่วโมงนะอาจจะไม่ไม่ชอบหน้าใครบางคนนะเราก็พอกลับบ้านก็ ก็หมดปัญหาไปแล้วอยู่ที่บ้านเราจะไม่ชอบใครบางคนนะแต่เราก็อาจจะหลบนะไปดูโทรทัศน์หรือว่าปลีกตัวไปฟังเพลงหรือว่าไปชอบข้างนอกหรือถึงแม้จะอยู่บ้านนะก็อยู่ได้ไปเดียวๆไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็ออกไปทำงานแล้วแต่อยู่ที่นี่เนี่ยเราต้องเจอหน้ากันตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้ยกเว้นเวลาหลับเวลานอนนะ 18หรือว่า17ชั่วโมงนะที่มีโอกาสที่เราจะต้องมาพบปะเกี่ยวข้องกันต้องเรียนรู้นะที่จะอยู่ด้วยกันอย่างสงบราบรื่นอะไรหรือนิสัยบางอย่างนะที่อาจจะไม่ตรงกับเรานะแตกต่างจากเราไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทาก็ให้เรียนรู้ที่จะ อยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้พยายามมองมองหาข้อดีของสิ่งรอบตัวเราไม่ได้เรียกร้องนะว่าให้มองให้มองเห็นว่าทุกอย่างนี้ดีไปนหมดนะเราคงเรียกร้องแบบนี้ไม่ได้ว่าให้มองว่าทุกอย่างนะมันดีไปหมดไอ้ที่ไม่ดีก็มีนะแต่ว่าพยายามมองเห็นสิ่งดีๆของทุกอย่าง มันต่างกันนะระหว่างเห็นระหว่างการมองเห็นว่าทุกอย่างดีเป็นหมดกับการกับการมองเห็นสิ่งดีๆในทุกอย่างแม้แต่มแมลงนะความร้อนนะหรือว่าอาหารที่ไม่ถูกปราบมันก็มีข้อดีนะก็คือว่ามันฝึกฝนเรานะฝึกฝนเราให้เราอยู่ง่ายกินง่ายนะฝึกฝนจิตใจของเรานะให้รู้จักนะ ปรับตัวปรับใจให้เข้ากับสิ่งต่างๆโดยพ่อการรู้จักวางใจเป็นกลางกับสิ่งต่างๆหรือว่าอาศัยสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเนะีมาเป็นเครื่องฝึกให้เรามีความอดทนนะเป็นเครื่องฝึกสตินะพยายามมองทุกว่าทุกอย่างเนี่ยนะมันมาช่วยนะฝึกฝนเรามาเป็นครูของเรานะเพื่อให้เราได้เรียนรู้ นะการวางใจที่ถูกต้องเดินรู้ในเรื่องการมีสติมีความอดทนหรือคันติเพราะาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยทาให้เราเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เพียงเป็นมิตรกับผู้คนที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะที่นี่แต่ว่ามันยังทำให้เราเป็นมิตรกับตัวเองได้ง่ายด้วย อันนี้สำคัญมากเลยนะเราจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับป่าที่นี่เราจะเป็นมิตรกับผู้คนที่อยู่ในวัดนี้เนี่ยนะได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือเราเป็นมิตรกับตัวเองที่เราไม่พอใจโน่นนี่ไม่พอใจกุฏิไม่พอใจสิ่งแวดล้อมไม่พอใจผู้คน ซึ่งบางทีก็ไม่ได้มีอะไรนะที่รบกวนลอยเพียงแต่ว่าสวดมนต์ไม่เหมือนกับเราแค่สวดมนต์ไม่เหมือนกันเนี่ยนะมันก็เป็นปัญหาได้นะแม้ว่าเขาจะไม่ได้ด่าเราแม้่เขาจะไม่ได้แกล้งเราหรือว่าเอาเปรียบเราเพียงแต่เวลาสวดมนต์นะเสียงดังต่างกันนะหรือว่าระดับเสียงไม่เหมือนกันนะมันก็กลายเป็นปัญหาได้นะถาออกว่าเราเนี่ยไม่รู้จักดูใจของเรา หรือถ้าหากว่าเราเนี่ยมีปัญหาในตัวเราเองนะหรือพูดง่ายคือไม่เป็นมิกรตัวเราเองเนี่ยคนเวลาเขามีความทุกข์อยู่ข้างในนะเขาก็จะมันก็มีแนวโน้มนะที่จะมองเห็นข้อเสียของสิ่งรอบตัวของผู้คนที่อรอบข้างและความทุกข์ข้างในก็เกิดจากนะจิตใจที่ว้าวุ่นนะเวลาเราอยู่คนเดียวนะลองสังเกตดูโดยเพราะคนที่มาใหม่เนี่ย ในหัวนี่มันจะมีเสียงดังนะมันจะเป็นเสียงของความคิดที่ระงมนะซึ่งอาจจะไม่เคยประสบหรือไม่เคยสังเกตมาก่อนนะเพราะว่าปกติเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยนะในเมืองหรือว่าข้างนอกเนี่ยนะมันจะมีอะไรต่ออะไรให้ให้ใจเนี่ยไปจดจอ่อเรียกว่าจิตเนี่ยมันส่งส่งออกไปข้างนอก ไปพุ่งไปไปไปจดจอ่อไปสนใจอยู่กับเสียงไปจดจ่ออยู่กับ อ, อะไรต่ออะไรมากมายเราไม่ชอบนี่เรากนะ็ไปโน่นนะเราเบื่อนะเบื่องานเบื่อผู้คนนะเราก็มีทางออกนะไปฟังเพลงไปดูหนังนะไปชอบไปเที่ยวห้างนะมันมีทางหนีตลอดเวลาที่ทำให้ใจเนี่ยมันสบาย หรือว่าใจมีความเพลินอย่างที่เราเพลินในความสุขนะที่พูดเมื่อวานแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะจิตมันไม่มีไม่มีสิ่งภายนอกที่จะเข้าไปจับนะหรือว่าไปเพลิดเพลินยินดีด้วยมันก็เลยนะวนเวียนอยู่ในหัวของเรานี่แหละนะความคิดต่างๆก็ที่ไม่เคยคิดมาก่อนนะมันก็โผล่มา นะจะเรียกว่าเพราะจิตมันว่างกนจิตมันไม่มีอะไรจะทำไม่เหมือนเวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยจิตมันมีมันมีอะไรให้ทำเยอะนะแต่พอเราอยู่อย่างเี้ยนะมันจิตไม่มีงานได้ทามันก็ไปขุดไปคุยนะเอาความคิดต่างๆนะทั้งแนอดีตบางทีสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในซ้ําก็ปรุงแต่งนะและความคิดที่มันผุดโผล่ขึ้นมาในหัวเงี้ย มันก็ทําให้เราว้าวุ่นหุดหงิดนะหลายคนเนี่ยจะ ก, กระสับกระส่ายเวลาอยู่คนเดียวนะโดยเพราะเนี่ยมาอยู่ป่าแบบนี้นมันจะมีความกระสับกระส่ายนะไม่ใช่กระสับกระส่ายข้างนอกนะมันมันเกิดจากความว้าวุ่นข้างในใจนะก็ทําให้คนเราเนี่ยทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เพราะไอ้ความคิดที่มันว้าวุ่นฟุ้งซ่านอยู่ในหัวนี่แหละที่ทําให้คนเนี่ยต้อง ต้องหนีตัวเองนะไปคุยกับคนโน้นนะหรือว่าไปคุกคีกับคนนั้นนะไปชอบไปเที่ยวนะหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีโทรศัพท์ก็นะหนีตัวเองด้วยการใช้โทรศัพท์ไปคุยกับคนอื่นแล้วเราก็ไม่เคยนะเรียนรู้ที่จะหาทางจัดการนะกับสิ่งที่มันอยู่ในหัวเราไม่ใช่ว่า เราจะต้องควบคุมไม่ให้ความคิดเนี่ยมันหยุดผุดโผล่ในหัวเรานะหลายคนมาวัดเพราะรู้สึกรำคาญกับไอ้เสียงที่มันอยู่ในหัวความฟุ้งซ่านต่างต่างแล้วก็มาวัดเพราะด้วยความปรารถนาว่าถ้าปฏิบัติแล้วไอ้เสียงในหัวจะหมดไปหรือความคิดต่างๆที่เคยรบกวนมันจะหมดไปถ้าเข้าใจแบบนี้นี่ก็เข้าใจผิดนะหรือว่าตั้งความหวัง ไว้ไม่ถูกต้องเพราะว่าความอยากแบบนี้แหละที่มันจะชักนำให้เราเนี่ยไปกดข่มจิตไม่ให้คิดหรือว่าไปควบคุมความคิดซึ่งจะยิ่งทำให้เราเนี่ยเครียดหนักเข้าไปใหญ่การปฏิบัติเนี่ยเราไม่ปฏิบัติเพื่อควบคุมความคิดนะแต่เพื่อไม่ให้ความคิดมาควบคุมเราถ้ามุ่งไปควบคุมความคิดเราก็พยายามไปกดข่มความคิดบังคับจิตไม่ให้คิด แต่ว่าถ้าเราปฏิบัติเพื่อไม่ให้ความคิดมาควบคุมแล้วคือว่ามันจะคิดก็คิดไปนะแต่ว่ามันมาทำอะไรจิตใจเราไม่ได้มันจะมาชักชวนให้เราไปด่าใครมันจะชักชวนให้เราไปสร้างปัญหาให้กับใครเนี่ยหรือว่ามาทำให้จิตเรากระสับกระส่ายเนี่ยอันนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเรารู้ทันนะมันมีมันโผล่มาเราก็รู้ทันแล้วก็ไม่เข้าไปผักไสมัน ความทุกข์เนี่ยนะความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะสิ่งแวดล้อมภายนอกนะไม่ใช่เพราะเสียงไม่ใช่เพราะผู้คนแล้วก็ไม่ใช่เพียงเพราะว่ามันมีความคิดที่ไม่พึงปรานาอยู่ในหัวนะแต่เป็นเพราะเราเนี่ยวางจิตวางใจไม่ถูกคือนอกจากไม่รู้ทันมันแล้วนะก็ยังพยายามเข้าไปผักไสมัน ใจที่มันเป็นลบใจที่ปฏิเสธนะผักสสิ่งต่างๆไม่ว่ารูรสกลิ่นเสียงนะที่อยู่ภายนอกหรือว่าอารมณ์ความคิดที่มันเกิดขึ้นมาภายในเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นตัวการสําคัญมากกว่านะเสียงดังยังไงถ้าใจเนี่ยเฉยเฉยนะไม่ทุกข์หรอกถ้าใจเป็นกลางๆงกับมันไม่ทุกข์หรอกนะใจที่ทุกข์เพราะใจเนี่ยมันไปเป็นลบมันรู้สึกลบกับเสียงนั้น มันพยายามไปต่อว่าด่าทอหรือว่ากดด่าเสียงหรือต้นเสียงนั่นน่ะมันก็เลยทำให้จิตใจเป็นทุกข์ความคิดมันจะเกิดขึ้นยังไงถ้าเรานะก็สักแต่ว่าดูมันไปนะไม่ไปทำอะไรกับมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไปเองหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้นะเวลาภาวานาเวลาทำสมาธิเพียงแค่ห้านาทีก็ทำไม่ไหวแล้วถามว่าทาไม ทำไม่ไหวเขาบอกมันฟุ้งซ่านไปหมดเลยในหัวนมันฟุ้งซ่านไปหมดเลยอันนี้เขาเข้าใจผิดว่าถ้านั่งสมาธิหรือทําสมาธิแล้วเนี่ยหรือปฏิบัติธรรมเนี่มันต้องไม่มีความคิดนะพอมันมีความคิดเกิดขึ้นนะมากมายก็รู้สึกว่าโอ้ยเราคงจะทําไม่ได้นะเราคงไม่มีวาสนาที่จะภาวนาได้นะหรือว่าไปพยายามนะไปสู้ลบตบมือไอ้ความคิดเหล่านั้น ความคิดไม่ใช่ปัญหานะความคิดฟุง้งซ่านแต่ที่มันเป็นปัญหาเพราะเราไปพยายามไปควบคุมมันนะเราไปต่อสู้ผักสมันแล้วยิ่งต่อสู้ผักสายนะัเรายิ่งถูกมันถูกมันครอบงำนะยิ่งผักสายยิ่งก็กลายยิ่งกลายเป็นยึดติดเข้าไปใหญ่ยิ่งไม่ชอบนะก็กลับยิ่งยึดติดนะเราไม่ชอบเสียงดังนะหรือเสียงที่แทรกเข้ามานะใจเราก็จะ ไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นทันทีเลยเราไม่ชอบหน้าใครเนี่ยเราก็จะนึกถึงหน้าเขาบ่อยเราไม่ชอบคำพูดของใครเราก็จะนึกถึงคำพูดของเขาอยู่เป็นประจำนะยิ่งผักใสก็ยิ่งยึด ต, ติดนะแล้วยิ่งติดยึด ต, ติดเนี่ยคือแบกนะอย่างที่เราสวมมาสักครู่เนี่ยเราทุกข์เพราะเราแบกนะเราทุกข์เพราะเราแบกการแบกที่ทําให้ทุกข์ แต่คนก็ชอบแบกคนก็ชอบยึดนะทนั้งนา้ที่สิ่งที่แบกสิ่งที่ยึดก็ไม่ดีเลยไ ม, ไม่ดีเลยนะความไม่ดีของเขาความคดในข้องเอากะดูของเขาคำพูดที่เสียดแทงของเขารวมทั้งงานการนะที่เต็มไปด้วยปัญหาความผิดพลาดความล้มเหลวนะไอ้พวกนี้มันไม่ดีเลยนะนึกทีไรก็เจ็บปวดนึกทีไรก็ทุกข์นึกทีไรก็โกรธ แต่ก็แบกมันเอาไว้ยึดมันเอาไว้อันนี้แหละที่เรียกว่าจมอยู่ในทุกข์นะคนที่ไม่จมในทุกข์เนี่ยนะเขาจะหาทางปล่อยหาทางวางนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยกลับแบกกลับยึดหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราเป็นการทรมานตนแบบหนึ่งนะเป็นอตัตากเหลือะทานนิยคแบบหนึ่งนะเพลินในสุขก็การสุ ข, ขาลิการนุโยกนะอันนี้ก็เห็นชัดอยู่แล้วนะสุข พอมันเกิดขึ้นนะก็ยึดติดนั้นเพลินกับมันจนลืมตัวแล้วก็กลายเป็นทาาของมันให้มันลักให้มันชักลากพาจิตใจเรานะไปทําชั่วหรือว่าไปาไปเป็นท่าของความอยากของตัณหาที่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นแต่คั้นเจอทุกข์เข้านะหรือว่าเจอสิ่งที่ไม่ชอบเข้านะก็กลับยึดกลับแบกเหมือนกัน ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอันนี้เป็นเพระ่ะเราเนี่ยไม่รู้ทันและการไม่รู้ทันเนี่ยมันไม่ใช่รู้ทันไม่ใช่ไม่รู้ทันสิ่งที่มากระทบไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายและสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเท่านั้นนะไม่รู้ทันกับความรู้สึกลบที่มีต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยอันนี้มันซ้อนอันนี้มันยากเข้าไปใหญ่ เรารู้สึกลบ ก, กับมันเราไม่ชอบมันแต่เราไม่สังเกตเราไม่รู้ทันว่าเราไม่ชอบมันเสียงดังนะเราไม่ชอบเราก็ไปจดจ่อยที่เสียงนั้นนะี่ยกลนบ่นดา่เาเสียงเหล่านั้นแต่ไม่สังเกตว่าใจของเราเป็นลบ ก, กับเสียงนั้นแค่ไหนงั้นถ้าเราหันมานะฝึกใจให้มารู้ทันนะในสิ่งเหล่านี้รวมทั้งรู้ทันอาการของใจนะเมื่อ มีสิ่งเหล่านี้มากระทบเนี่ยนะใจเราจะสงบไดนะ้เสียงดังก็ดังไปนะแต่ใจเราเป็นปกติความคิดมันจะเกิดขึ้นไนงะก็คิดไปแต่ใจเราก็ปกตนะิวางใจเป็นกลางหรือว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆเดี๋ยวมันไปเองนะแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นนั่นถึงเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยความคิดมันจะผดขึ้นมาอย่างไงนะใจเราก็เป็นปกติการเป็น การอยู่คนเดียวกลายเป็นเรื่องง่ายการอยู่คนเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์ทรมายต่อไปและเราก็จะเป็นมิกราตัวเองได้พอเป็นมิกราตัวเองแล้วนะมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเป็นมิกฉาสิ่งแวดล้อมเป็นมิกฉาธรรมชาติเป็นมิกฉ า, กากสถานที่แล้วก็เป็นมิกราผู้คนได้ง่ายอันนี้แหละคือแบบฝึกหัดสำคัญนะทีะ่เราควรจะเรียนรู้นะแล้วก็ผ่านให้ได้นะในช่วงเข้าพรรษาเนี่ย เรามาเพื่ออันนี้แหละเรามาเพื่อฝึกอันนี้นะแต่ไม่ใช่แค่อันเดียวนะมันยังมีแบบฝึกหัดอีกมากมายแต่ว่านี่คือแบบฝึกหัดขั้นต้นที่เราต้องอต้องผ่านไปให้ได้นะเราจึงจะอยู่หรือจำพรรษานี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็อย่างเป็นอย่างผู้ฉลาดนะด้วยใจที่อิสระเอะาคนี้ไเท่านี้นะาับ